สังคาทิเศษสิกขาบทที่สเพราะภิกษุณีเรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพรียงกันลงอุเขปนียกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตวศาสตร์ให้กลับเข้าหมู่ต้องอาบัตสอย่างคือ 1. จบยัติต้องอาบัาบ ต, ต, ตออบทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลัจใจ 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังฆาทิเศษ